สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากชุภาสิตธิเรื่องการลงทุนที่ฉลาดครั้งที่หนึ่งพระคัมของพระเจ้าสุภาสิตธบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบหกถึงข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับแต่ในวันนี้คําอธิบายนี่อาจจะไม่ได้ถึงข้อสามสิบเอ็ดคำอธิบายนั้นจะอยู่ถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดก่อนนะครับเราเรียกว่าตอนที่หนึ่ง ของการลงทุนที่ฉลาดโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าชุภาสิบที่สิบเอ็ดข้อที่สิบหกสตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายหน้าเลือดย่อมมั่งคัง่งชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่ตนแต่ชายที่ดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บ ชายชั่วร้ายได้ผลจ้างที่หลอกลวงแต่บุคคลที่หวานความชอบธรรมจะได้บําเหน็จที่แน่นอนบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่แต่บุคคลที่ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายคนที่คิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้าแต่คนที่มีทางไร้ตําหนีย่อมเป็นที่ปิติยินดีของพระองค์จงแน่ใจเถิด ซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหามิได้พี่น้องครับในวันนี้ผมจะอธิบายจนถึงข้อ21นะครับจงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นก็หามิได้หลักการของการหวานและการเกี่ยวนะครับได้พบอยู่ในตลอดทั้งพระคัมภีร์เช่นเดียวกันครับก็เป็นหลักการของการ ลงทุนและได้รับรางวัล น, นะครับเพราะจ้นะของพระเจ้าได้สอนพระเยซูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนฝ่ายวิญญาณนะครับในมัทธิวบทียี่สิบห้าพูดถึงเรื่องของการที่นายนั้นกำลังจะเดินทางไปเมืองไกลแล้วก็เรียกทาสสามคนมาแล้วก็ฝากไว้คนละห้ารลันสองจลันแล้วก็หนึ่งจลัน ตรงนี้เองเราจะเห็นว่าครับโอมาของพระเยซูนั้นก็พูดถึงเรื่องของทาตที่ได้รับทั้งห้าก็ไปลงทุนและกลับมาก็ได้มาอีกห้าคนที่ได้สองก็ไปลงทุนกลับมาก็ได้อีกสองคนที่ได้หนึ่งก็เอาไปฝังดินแล้วนายบอกว่าทําไมไม่ไปฝากธนาคารเล่าจะได้ดอกเบี้ยพี่น้องครับนี่ไหมครับเป็นการลงทุน การลงทุนนั้นต้องได้กำไรครับการกระทําที่เรียกว่าการลงทุนที่ฉลาดก็ต้องย่อย่อมได้กาไรมากบทเรียนจากโุบสิธิ์วันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เปรียบเสมือนกับการลงทุนใครดำเนินชีวิตได้ดีก็เหมือนกับการลงทุนที่ฉลาดใครที่ดำเนินชีวิตอย่างคนชอบทํา เขาก็จะได้รับบำเหน็จอย่างคนชอบทำสิ่งที่เขาจะได้กับคืนมานั่นก็คือผลกาไรครับคนไทยมักจะว่าเป็นกฎของการกระทำหรือที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำนั่นเองใครทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับกับคืนมาที่ดีใครทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับกับคืนมาที่ไม่ดีครับ ในพระคัมภีร์หมายเรียกว่าการกฎของการหวานและการเกี่ยวหวานสิ่งใดนะครับก็ได้สิ่งนั้นเราหวานความดีเราก็ได้ความดีกลับมาเราหวานความชั่วเราก็ได้ความชั่วกลับมาเพราะฉะนั้นพระวจนะพระเจ้านั่งแต่ข้อที่สิบหกนี้นะครับเริ่มต้นว่าสตรีงามสงา่าย่อมได้รับเกียรติหมายความว่าผู้หญิงที่มีใจกรุณามีความงดงามในใจนะครับเขาจะได้รับ รางวัลได้รับผลกําไรก็คือได้รับเกียรติยศเป็นหญิงที่งดงามงามสง่ากลับคืนมาแต่ในขณะนี้ชายหน้าเลือดนะครับเขามีความมั่งคั่งกลับคืนมาแน่นอนครับคนที่หน้าเลือดคนที่มีสตังเขาย่อมได้รับความมั่งคั่งแต่ถามว่ามีความสุขไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับ พรเจ้าพระเจ้าตอนนี้เร่ยแลเรื่องของเขาจะมีความสุขไหมมีเงินครับแต่จะไม่มีความสุขก็ได้ข้อสิบเจ็ดชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่ตนชายที่ดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บพระกัมพีเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้ายและการดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบทำคนที่เป็นผู้ชอบทำเขาจะมีใจเมตตา ก็จะนำประโยชน์สุขมาให้กับตัวเองแต่คนที่โหดร้ายเขากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ครับความกรุณานั้นให้ประโยชน์แก่ผู้คนแต่คนที่โหดร้ายหรือความโหดร้ายนั้นก็จะตกกลับมาสู่ชีวิตของคนโหดร้ายหรือเจ้าของมันความโหดร้ายนั้นน่ากลัวครับถ้ามันย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของผู้นั้น มันก็จะเป็นอันตรายอย่างมากมันไม่เพียงแต่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่รับความโหดร้ายจากเรานะครับแต่เราหากเป็นผู้ที่ให้ความโหดร้ายความโหดร้ายนั้นจะกลับคืนมาหาตัวเองย้อนกลับครับมันเป็นกฎของการหวานและการเกี่ยวม่เป็นกฎของการกระทามันเป็นกฎของกรรมครับข้อสิบแปดชายชั่วร้ายได้ผลจ้างที่หลอกลวง แต่บุคคลที่หวานความชอบธรรมจะได้บาเหน็จที่แน่นอนเอาอีกแล้วครับเห็นไหมครับพอเจนะพระจันทร์ตอกย้าตลอดเวลาว่าคนที่หวานความชอบธรรมก็จะเก็บเกี่ยวผลของความชอบธรรมแต่คนที่หว่านความแตกแยกหวานความชั่วร้ายเขาจะเก็บเกี่ยวความแตกแยกความชั่วร้ายเขาคิดว่าเขาได้รับค่าจ้างครับแต่เป็นค่าจ้างกลอม เป็นค่าจ้างปลอมที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของเขาในที่สุดบางครั้งเขาคิดว่าเขาได้เงินเยอะแต่เงินตรงนั้นเขาก็จะเสียไปอย่างง่ายๆเก็บไว้ไม่อยู่นะครับถือว่าเป็นเงินร้อนเขาคิดว่าเงินของเขาจะช่วยเขาก้าวหน้าแต่กลับว่าในที่สุดก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยถึงที่เสียหายก็เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวพี่น้องครับ นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับใครก็ตามที่ได้รับผลจ้างที่หลอกลวงใครก็ตามที่คดโกงเขาจะได้ความชั่วร้ายกลับคืนไปครับแล้วสิ่งที่เขาคดโกงไปนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรข้อสิบเก้าครับบุคคลผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายก็จะถึงแก่ความตายใครก็ตามที่ติดตามความชั่วและคนชั่วนะครับเห็นด้วยกับคนชั่วสนับสนุนคนชั่วติดตามคนชั่วก็จะไปถึงความตายครับแต่คนชอบทมเราจะมั่นใจได้ว่าในที่สุดเราจะมีชีวิตนิรันและบําเหน็จรางวัลรอคอยอยู่ที่นั่นถามว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม ความชั่วร้ายการคดโกงการหวานความแตกแยกการหวานความชั่วร้ายนั้นในที่สุดเขาจะพบว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยและเงินทองของเขาที่เขาคดโกงมานั้นก็ไม่เหลืออะไรเช่นเดียวกันแต่ใครก็ตามที่ติดตามเขาเนี่ยจะลำบากครับใครที่เห็นด้วยเป็นพวกของเขาเป็นสนับความสนับสนุนของเขาก็จะลำบากครับพระพุทธผีพูดชัดนะครับว่าใครที่ติดตาม ความชั่วและคนชั่วก็จะไปถึงความตายแต่คนที่ชอบทำเราจะมั่นใจได้ครับว่าในที่สุดนั้นบำเหน็จรังวันรอค อ, อยอยู่นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าการลงทุนดำเนินชีวิตในความชอบธรรมนั้นจะได้รับผลตอบแทนรางวันก็คือชีวิตนิรันดร์กลับคืนมาครับถ้าเราลงทุนชีวิตในความชอบธรรมเราจะได้ผลตอบแทนคือรับรางวัลชีวิตนิรันดร์กลับคืนมา ความชั่วร้ายนั้นจะได้รับผลตอบสนองคือความตายครับคนบาปย่อมได้รับอันตรายเงินทองของเขาก็ไร้ประโยชน์ในที่สุดและบทสุดท้ายที่เขารอคอยคือความตายพระเจ้าทรงเกลียดชังท่าทีและการกระทําที่ผิดบาปครับเช่นเดียวกันการดําเนินชีวิตที่คดเคี้ยวตลบตะแลงบิดเบือนโกหกหน้าชื่อใจคดการกระทาชั่วความคิดชั่วความเย่อหยิ่งความอายุติธรรมความไม่สัตย์ซื่อ พระเจ้าเปลีชังครับแต่พระเจ้าทรงรักคนและยินดีทรงยินดีทรงภูมิใจในคนที่ชอบธรรมทรงภูมิใจทรงยินดีในคนที่มีศิล ธ, ธรรมคนที่รักความจริงทรงรักทรงยินดีจงภูมิใจในคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในศธรรมของพระเจ้าขอ้อ20ครับองค์พระวินเจ้าเกลียดชังคนที่คดในข้ององในกระดูกก็คือคนเจ้าเล่ยเพทุบายทั้งหลาย แต่พระเจ้าทรงชื่นชมกับคนที่วิถีทางของเขาดีงามไร้ที่ติข้อ21นะครับแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นก็หาไม่ได้คนชั่วร้ายจะไม่ลอยนวลในวันพิพากษาครับแต่คนชอบทําจะได้รับการปลดปล่อยให้หลุดจากสิ่งต่างๆที่เขาถูกกล่าวร้ายใส่ร้า ย, ายกล่าวร้ายกล่าวใส่ร้ายป้ายสีได้หมดครับพี่น้องครับจงมั่นใจเถิด คนชั่วร้ายจะไม่รอยนวนในวันพิพากษาแล่คนชอบธทมจะได้รั บ, บพระพรและได้รับการช่วยกู้ครับได้รับการปลดปล่อยให้หลุดจากสิ่งต่างที่เขาถูกกล่าวหาดังนั้นสรุปวันนี้ครับเราจะลงทุนชีวิตอยู่ในทางเห็นความชอบธรรมหรือเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในทางของความอธรรมเราเลือกได้อาเมน